เนี่มาขึ้นข้อความในมหาปรินิพานสูตรอันนี้เรียกว่าเตียงสุดท้ายละในหน้าสามร้อยหกข้อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับท่านพระอนตน์ว่ามาเถิด อ, อนต์เราจะไปยังฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำหิรันวดีเมืองกุสินาราและสารวันอันเป็นที่แวะพักแห่งมรกษัตว์นะก็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 พรงล่วงพ้นโลกพันเขาเรียกว่าอุดร อ, อุตระเนี่ยนะอุดรนก็คือทิศเหนือทิศเหนือนี่เป็นทิศที่พ้นทุกข์ทั้งปวงระหว่างนั้นน่ะพระันประกาศถึงว่าพ้นแล้วสูงที่สุดพ้นที่สุด เ, เรียกว่าพ้นจากโลกทั้งปวงแล้วพระนนทก็ทูลรับพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งเตียงหันพระเศียรไปทางทิศอุดรระหว่างไม้สาระทั้งคู่ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสำเร็จสีหาสายาโดยพระปราบเบื้องขวาทรงซ้อนพระบาทด้วยพระบาทมีพระสติสัมปชัญญะเนี่ยนะก็ถือว่าอะไรนะเตียงสุดท้ายในอัตถกาหาน่า414สบบทว่ามหาตาพิกุสังเคนะสัตทิงก็บอกว่าจำนวนของพระพิสุที่ติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในตอนนั้นเนี่ย หาประมาณไม่ได้กำหนดไม่ได้เยอะมากเลยนะพิสษุหลายแสนอย่างนั้นคือพอได้ทราบว่าจำเดิมแต่พระองค์ขมเวทนาที่เวลุวะคามไม่นานนักแล้วรู้ต่อไปอีกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจับปรินิพานไม่นานถัดจากนั้นพระองค์จากปรินิพานบรรดาภิสษุที่มาจากที่นั้ น, น, นไม่มีแนะ่แม้แต่พิสูรรูปเดียวชื่อว่าจะหลีกไป อันนั้เมื่อไปอยู่ใกล้แล้วก็ทราบข่าวว่าพราะองค์จับปริ้นิพานก็ไม่รู้จักรีบไปไหนก็ติดตามพระองค์ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพระภิกษุสองนี่จึงมีจํานวนนับไม่ได้เยอะมากอัะนนะันเป็นแสนเป็นล้านเนะี่ยแล้วก็บอกโอ้ยมันจะเยอะขนาดนั้นหรือเนี่ยนะใครไปอินเดียแล้วจะรู้ว่าประชากรเนี่ยเยอะยิงเก่ว่านั้นเนะี่ยบอกว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นนะ่ยบทว่าอุปวัตตนังมูลานังสาลวัตนังเนี่ยนะความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จ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 ฉั้นใดสารวันพระราชยานบ่ายหน้าไปทางทิศ ต, ตะวันออกแล้วเลี้ยวไปทางทิศอุดรฉันนั้นเพราะฉะนั้นสารวันนั้นท่านจึงเรียกว่าอุปวัตตนะทางโค้งคือเมืองเมืองอนุราทัพุระเนี่ยถูปารามถูปารามก็คือเจดีมีเจดีอยู่เจดีหนึ่งเรียกว่าเจดีถูปารามเป็นที่ประดิษฐานพระอะไรนะกระดูกพระอุระนะกระดูก อ, อกไหมของพระพุทธเจ้านะที่ถูปารามะ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 เขาแกแก็ประมาณสองพันกว่าปีแล้วก็อนุราธาปุระก็เมืองพิพิธภัณฑ์เหมือนกันเถอะต้องซื้อตั๋วเข้าชมไปดูของเก่าเหมือนกันก็เมืองพิพิธภัณฑ์ไปแล้วบทว่าอันเตเรยมกะสาลานังอุตราศีสกังความว่าได้ยินว่าต้นสาระแถวหนึ่งอยู่ทางหัวพระแท่นแถวหนึ่งอยู่ทางท้ายพระแท่น ในแถวต้นสาระนั้นต้นสาระรุ่นต้นหนึ่งอยู่ใกล้ทางส่วนพระเสียนต้นหนึ่งอยู่ทางพระบาทอีกต้นหนึ่งนะก็เรียกว่าเป็นลำต้นที่เลยเรียกว่าอานะันนอยู่ทางหัวต้นหนึ่งทางท้ายคู่สาระบอกว่าที่บอกว่าอนนท์เธอจงช่วยตั้งเตียงให้เราแล้วก็หันศีรษะไปทางระหว่างไม้สาระทั้งคู่เราเหนื่อยเราจักนอน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 ก็ถูกซับไปหมดฉันใดพระพุทธเจ้าเองก็สิ้นกําลังหมดเรี่ยวหมดแรงฉันนั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่นครปาวาถึงกุศินาราระยะทางประมาณสมข้าวุธิสขาวุธก็ประมาณสักสิบสองกิโลเนี่ยนะหนึ่งขาวุธก็ประมาณสิบส่อประมาณสี่กิโลอ่ะสขาวุธก็สามสี่บบสองกิโลเนี่ยพระพุทธเจ้าพักประทับในระหว่างทางเนี่ยพักยีสิบห้าครั้งนีแปลว่า สิบสองกิโลใช่มสิบ12งกิโลเนี่ยประมาณสักครึ่งกิโลพักครั้งหนึ่งอันนครึ่งกิโลเมตรพักครั้งหนึ่งประมาณห้าหร้เมตรก็พักห้าหร้อเมตรก็พักห้าหร้อเมตรก็พักแสดงว่าเหนื่อยมากเลยนะเดินเหนื่อยปกติเนี่ยพระพุทธเจ้าเดิน45่สิบห้าโยดวันเดี่ยวเดินกว่านี้ได้เป็นร้อยเท่าว่างั้นเถอะเดินกว่านี้ได้เป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่ว่าวันนั้นเนี่ยร่างกายเนี่ยหมดแรงจริงๆเลยนะ ต, ตอนนี้ก็แทบใจแค่กวะกหามขึ้นเตียงน้อยแลยนะสมัยใหม่อาจจะมีรถพยาบาลไปรับแล้วนะแต่ว่าการวัดคนละยุคกันพระองค์ก็เสด็จมาด้วยพระอุตสาหะใหญ่เข้าไปในสาร ว, นารวนโนทยานในพระอาทิตย์ตกเดินทางสิบสองกิโลเมตรเนี่ยใช้เวลาแปดเก้าชั่วโมงนะนะแควัดคบค่ำเลยเนี่ยจนไปถึงนนสารวนโนทยานเสร็จแล้ว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 ถูกไฟลนเป็นต้นเนี่ยมันก็อะไรที่มันเคยดีเนี่ยนะก็เหมือนการพระองค์เนี่ยเคยมีพระรักําลังแต่อย่าลืมว่าสังขารทั้งหลายถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยบางอย่างเข้ามาแทรกก็หมดสภาพแล้วเนี่ยนะเมื่อจะทรงแสดงความที่พระองค์นั้นตรัตวาจะให้เกิดความสังเวชแก่สัตว์โลกจึงบอกว่ากิรันโตสมิอานันทะนิปเชสามิอนุตถาคตลําบากนักตถาคตเหนื่อยมาก ตถาคตจากนอนละเนี่ยนะเหนื่อยแล้วขอนอนก่อนเนี่ยนะมันเวลาที่เราเหนื่อยเรบอกเออนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยนะต่างกาันร่างกายเราเหนื่อยเหมือนกันแต่ใจพระองค์ไม่เหนื่อยใจของพระองค์ก็มีสติสัมปชัญญะพร้อมที่จะเข้าฌานได้เสมอแต่ถ้าเทียบกับสัตว์ทั้งหลายแล้วก็อันนะกายก็แทบจะหมดสภาพใจล่ะก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะทีนี้กลายเป็นว่า ถ้าเป็นของพวกเราทั้งหลายก็มานั่งห่วงหน้าพวงหลังคนโน้นมาไหมหรือว่าคนนี้มาไมาเป็นตัวเนี่ยเตียงสุดท้ายของเราเนยถ้าเรารู้ว่าเราจะไม่ได้ลุกอีกต่อไปเราจะทะํนะาอะไรเนี่นะทาอะไรดีอ่ะถ้าให้เวลาประมาณสิบสองชั่วโมงเตียงบอกว่าพาลับตากนี้ถอยหลังไปสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะจะคิดอะไรดีอิติปิโดได้สามรอบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ คุยกับโลกคุยกับญาติคุยกับร้านคุยกับเพื่อนคุยเรื่องอะไรอ่อเนี่ยนะเพราะหมายก็ว่าเขาจะอะไรนะนักโทษประหารนั่นนะ่ะประหารชีวิตในวัฏฏะอีก12ชั่วโมงจะตายเนี่ยจะทําอะไรดีนี่ก็เหมือนกันอนะ่ะพระองค์เนี่ยประทับนอนตั้ประมาณใช้เวลาหลักถัดจากนั้นไปอีกไม่เกิน12ชั่วโมงพระองค์จะดับคันทัปปรินิพันเนี่ยนะสิบสอชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยนะของชีวิตว่างั้นแหละ ถามว่าก็เพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเสด็จมาในที่นี้ด้วยอุตสาหะใหญ่พระองค์ไม่อาจจะปรินิพานที่อื่นหรือทําไมไม่ปรินิพานที่อื่นล่ะตอบว่าไม่อาจจะปรินิพานที่อื่นก็หามิได้จริงๆอ่ะพระองค์จะทํายังไงก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ที่เสด็จมาที่นี้ด้วยเหตุผลสามประการนะที่เลือกปรินิพานที่เมืองกุสินรา เหตุผลสามประการที่ว่าจริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความข้อนี้ว่าเมื่อเราตถาคตปรินิพานเสียในยที่อื่นอัจถูก ป, ปฏิเหตุเกิดเรื่องมหาสูทัศนสูตรก็จกไม่มีคือจะไม่ได้ตรัสพระ ส, สูตรหนึ่งที่สำคัญที่เกื้อกูลต่อการบรรลุของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสูตรนั้นก็คือมหาสูทัศนสูรแต่เมื่อพระองค์ปรินิพานที่นครกุสินารา ตลอดจนพระองค์แสดงสมบัติที่พระองค์เคยเสวยแล้วในเทวโลกและที่พระองค์เคยเสวยในมนุษยโลกประดับด้วยพาณวาระสองาณวาระชนเป็นอันมากฟังธรรมของตถาคตแล้วจักทรรมกุศลสำคัญว่าบุญกุศลเนี่ยน่าท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 แต่เมื่อพระตถาคตปรินิพพานเสียที่เมืองกุศินาราสุพัฒนะนั้นน่ะจเข้าเฝ้าถามปัญหาและที่สุดแห่งการตอบปัญหาเขาจะตั้งอยู่ในสารณะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของเรารับกรรมาฐานแล้วจกบรรลุเป็นะ้าหันเป็นปัตชิมะสาวกต่อเมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เป็นสาวกองค์สุดท้ายที่เป็นะ้าหันองค์สุดท้ายต่อที่พระองค์มีพระชนอยู่เนี่ยนะอันนี้เหตุผลที่ 2. สองสคัญมาก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 เพราะเข่นฆ่ากันเช่นนั้ถ้าพระองค์ปรินิพานที่เมืองราชครืกเนี่ยพระเจ้าชาติศัตรูไม่ยอมแบ่งพระทานให้ใครแน่นอนนะหรือปรินิพานที่เมืองเหล่าใดก็ช่างไอ้นี้เมืองกุสีนารามันเมืองเล็กกษัตริย์นี่ไม่มีอำนาจทั้นคนมาขอแบ่งก็เอาแบ่งแบ่งไปเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจเจ้าตัวไม่รอดเหมือนกันแต่ก็จริงๆิก็ปากแข็งไปอย่างนั้นแหละแต่จริงๆริงตัวเองนี่มีกําลังไม่มากกําลังเนี่ยน้อยมากเพราะฉะนั้นถ้ามาอยู่ที่นั้นเนี่ยนะเออ ก็จะไม่มีการฆ่ากันเหตุผลก็คือเมื่อพระองค์ปริณิพานที่นครกุสินาราโทนตาพราหมกก็จะระ ง, งับการวิวาทนั้นแล้วก็จะแจกพระธาตุทั้งหลายอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่า1เมื่อพระองค์ปริณิพานที่กุสินาราจะไม่มีสงครามเพราะโทนตาพราหมผู้เป็นอนาคาเมียจะห้ามห้ามสึกห้ามทัพเนี่ยนะเหตุผลแรกนะจะได้แสดงมหาสุตทัศนสูตรเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจริญกุศล นนะเพื่อความพ้นทุกข์ตรัสรู้ตามพระองค์อย่างที่สองสุภัททะจะได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์องค์สุดท้ายที่เหตุทันเห็นพระองค์แล้วก็ที่สี่เออขาเหต้ผลที่สามจะไม่มีการทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องของการแบ่งพระธาต